อินทรีย์ของคนเราเนี่มันก็ไม่เท่ากันอินทรีย์มากอินทรีย์มีมากอินทรีย์แข็งแรงมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายแต่ถ้าใครอินทรีย์ยองอ่อนก็ต้องสั่งสมอบรมบ่มเพาะอินทรีย์ให้มันเข้มแข็งแข็งแรง อินทรีย์มันก็ไม่ใช่นอกอินทรีย์นะอินทรีย์ก็อินทรีย์หพละห้าเป็นกำลังของใจของเราพละห้าก็คือกำลังนะกระเือที่ศรัทธาศรัทธามันก็ทำให้ชักจูงไปถึงความเพียรของเรา ศรัทธาแล้ววิริยะสติใช่ไหมตัวที่ 3. สามสติสมาธิปัญญาถ้าเราเป็นบุคคลที่มีศรัทธาแน่วแน่ในคำสอนพอพูดถึงศรัทธาแน่วแน่ในคำสอนเนี่ยมันก็จะจกกว้างไปสันหน่อย แต่ที่แน่วแน่ลงก็คือเรามีความเชื่อมั่นในคำสอนว่าพระพุทธองค์ประกาศเอาไว้ว่าการที่เราเดินบนเส้นทางสายนี้รงชัยเป้าหมายที่พระพุทธองค์ปากเอาไว้ให้ก็คือเราจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ลดลงน้อยลงแล้วก็ไม่กลับกำเริบอีก เราก็จะทำที่สุดแห่งทุกอยู่จบพรหมจรรย์นในศาสนานี้แต่คนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้เป็นจริงผลที่พระพุทธเจ้ารับรองไว้มันก็เป็นได้จริงยังมีจริงอยู่ พอศรัทธามันมีขนาดนี้มันก็มีแก่ใจมาปฏิบัตินั่นแหละแต่เราก็จะเห็นว่าก็มีไม่น้อยที่มีศรัทธาไม่ในศาสนา ก, ก็มีอยู่มีศรัทธาที่เชื่อไหมว่าคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นคำสอนที่ดีนำตนให้พ้นทุกข์ได้ก็มีไม่น้อย แต่ทำไมเราจึงเห็นว่าคนในสังคมพุทธคนไทยเราเนี่ยซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองของโลกนี่แหละได้ขึ้นชื่อว่าศาสนาพุทธได้ปักลงตั้งรากตั้งฐานที่ที่ไทยเรา แต่เราก็จะเห็นว่ามีไม่น้อยที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนอย่างจริงจังเพราะว่าศรัทธามันมีไม่มากศรัทธามันยังไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจคือศรัทธาเนี่ยถ้าเราเข้าใจทางตักกะว่าถูกจริงถูกต้องเนี่ยมันยังไม่เพียงพอ แต่ศัทธาที่มันหยั่งลงไปในใจของบุคคลนั้นเชื่อมัน่นเปลี่ยนตะ ก, กะความเชื่อที่มันถูกต้องตามตะ ก, กะนั้นน่ะให้มันเชื่อลงไปในความรู้สึกของเราด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จึงจะทำให้กระบวนการคือความเพียนมันก็จะขับเคลื่อนได้ดีแต่ถึงแม้ในหมู่นักปฏิบัติเองก็ตามเย ศรัทธาที่มีต่อคำสอนก็ไม่ใช่ว่าจะเท่ากันทั้งหมดแต่แน่นอนเ็าเรียกว่ามันผ่านเกณฑ์เหมือนเราสอบเราก็ผ่านเกณฑ์ก็คือ C ใช่ไหมถ้าเป็น D doc ก็ถือว่ายังรอแร่ร่อแร่อยู่เรียกว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำก็จะได้มีแกะใจมาประพฤติปฏิบัติพาตนให้ ให้ออกจากทุกข์แต่แน่นอนในหมู่คนที่กําลังจะพาตนให้พ้นจากวัตฏะให้หลุดพ้นจากทุกข์เนี่ยก็ไม่ได้มีศรัทธาที่มันเท่าเทียมกันทั้งหมดเราก็จะเห็นได้ว่าบางคนก็เข้มแข็งแข็ง แ, งแรงในคําสอนมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติบ่อยๆต่อเนื่องซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่า มีอินทรีย์ที่แข็งแรงมีอินทรีย์ที่บ่มเพาะได้ดีขึ้นมาอีกแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทาให้ศรัทธามันมีมากขึ้นมันได้รับการพัฒนามากขึ้นมันก็หลายๆเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยแรกก็คือผลผลที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติตามคาสอนนี่แหละพอเราประพฤติปฏิบัติตามความสอนยกตัวอย่างอย่างคนที่ไม่เคยทาความสงบ ได้มารู้จักกับความสงบของจิตใจได้เห็นว่าใจที่วุ่นวายแล้วสงบระงับลงไปเนี่ยมันก็มีความสุขแต่ในภายในเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะซาบซึ้งลงไปในหัวใจของเราได้ว่ามันดีจริงๆตอนที่ใจเรามันวุ่นวายมันไม่มีทางออกเราจะหาทางออกในวิธีแบบเก่าๆโดยการหา เสพการที่มันละเอียดประหนี่มาบทบังความทุกข์มันก็ไม่สามารถจะทําได้ทุกครั้งแล้วก็ควบคุมเหตุปัจจัยข้างนอกก็ทําลําบากแต่การที่เรามีที่พึ่งทางใจอันใหม่ไม่ว่าจะเป็นคําบริกรรมพุทโธการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติที่เป็นอารมณ์ในใจของเรา มันทำให้ใจของเราเนี่ยได้สงบอารมณ์วุ่นวายต่างๆภายนอกใจเราสงบระคับเรื่องวุ่นวายมาตั้งมั่นในอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ฝ่ายดีเป็นอารมณ์ที่เป็นอาหารชั้นดีให้กับใจเราก็จะได้สัมผัสได้ด้วยใจของเราเองเนี่ยแล้วว่าความสงบเกิดขึ้นมันดีจริงๆมันไม่ได้ดีเพราะใครบอกแต่เรารู้สึก ความดีที่มันซาบซึ้งลงไปในหัวใจของเรามันจึงทำให้เขาเรียกว่ามันมีแก่ใจที่เราอยากจะพัฒนามันให้มันมากขึ้นอยากจะทำให้มันได้ละเอียดประณีตมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งนะที่เราได้ผลจากการปฏิบัติที่มันดีเนี่ยมันก็จะมีกําลังใจที่เราจะขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้น เปรียบเทียบมันก็เหมือนคนค้าขายอะ่ะถ้าค้าขายแล้วมีกำไร ύ, กำไรนะมันก็มีกำลังใจที่มันจะมาทำงานแต่ถ้าขายแล้วโอ้ยขาดทุนขาดทุนขาดทุนมันก็หมดกำลังใจที่จะมาทำงานมันก็ต้องเผื่อสมองไปคิดเรื่องอื่นแล้วว่าเอ๊ว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีแต่ถ้าทำแล้วนี่ก็มีกำไรทำแล้วเราเห็นผลกำไรเราก็มีความสนุกมีความเพลินมีความ มีแก่ใจที่เราจะทำมันให้มันดีขึ้นพัฒนามันให้มันมีกาไรมากขึ้นก็ฉันได้จากนั้นกันที่เรามีพัฒนาการมีความสงบเป็นเบื้องต้นของใจจากคนที่ไม่เคยมีความสงบเลยลรู้จักวิธีที่เราจะหาความสงบให้กับใจรู้จักที่จะมีที่พึ่งอันใหม่บ้านหลังใหม่ให้ใจเป็นที่พึ่ง พอมันดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้มันแข็งแรงอยากที่จะให้ใจของเราเนี่ยคุ้นชินกับบ้านหลังใหม่ให้ได้มากๆเพราะฉะนั้นความเพียนก็ดีมันก็มีกําลังตามไปด้วยพอเราทาความเพียนให้มันมากขึ้นน่มันก็อยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานของสติเนี่ยที่เราจะต้องเจริญสติให้มันมากๆมีสติที่มันมากมีสมรถสติที่มันมาก สมาธิที่มันเกิดมันก็เกิดได้แน่นอนพอเรามีความสงบใจเป็นพื้นเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องเห็นความแตกต่างนั่นแหละ ว, ว่าไอ้ทีผ่ผ่านมาเนี่ยอะไรมันเป็นเหตุที่ทำให้เรามาทางทำความสงบใจได้ดีขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุอะไรที่มันทำให้เป็ น, เ, ปนเรื่องก่อกวนกับจิตใจของเรามากแล้วให้เราทำความสงบได้ยากหาความสุขในภายในได้ยาก พอเรารู้เราเห็นมันก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ได้พิจารณาได้เห็นใกล้ครวนตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจในเหตุเหตุของว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ดีขึ้นซึ่งความเข้าใจเหล่านี้มันก็คือปัญญาใช่ไหมปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่ารู้มาจากยาตธาตุในความรู้ใช่ แล้วก็มีปอปลาก็คือปะมาอยู่ข้างหน้ามันปะนี่มันก็แปลได้ว่าทัว่วก็คือรู้ทั่วทั่วแหละรู้ว่าเหตุมันเป็นอะไรผลเป็นอะไรทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็คือเรารู้ทั่วแหละรเราก็จึงบริหารจัดการกับจิตใจเราได้ดีขึ้นกว่าเก่าเราก็จะไม่พยายามสร้างเหตุของความทุกข์ใจ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเคยชินความยินดีความชอบในแบบนิสัยเก่าก็ตามแต่เราเริ่มเห็นเข้าใจมันแล้วว่าถึงมันจะเป็นความชอบเป็นความเคยชินแต่สุดท้ายเนี่ยมันดีแค่เบื้องต้นนะมันไม่ได้ดีใน่าำกลางและมันไม่ได้ดีในท้ายที่สุดมันมีความเพลินให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินแต่มันเป็นแบบแค่นั้นแหละ สุดท้ายมันทิ้งพิษเอาไว้ตามหลังมันไม่บริสุทธิ์ทั้งในเบื้องต้นในท่ากลางและในที่สุดเราก็จึงจะเข้าใจมันได้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นจะพอพูดไปแบบนี้แหะมันก็จะดูเหมือนทางนี้มันโรยด้วยกลีบกุหลาบนะโอ้ยเราก็ปฏิบัติไปมันก็ดี ว่ามันดีแต่มันก็ดีไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นะมันก็ไม่ยอมให้เราไปดีง่ายๆแหละไอ้กิเลสที่มันเป็นเจ้าครองหัวใจเรากิเลสที่มันเป็นเจ้าครองวัตตะอันนี้มันก็ไม่ยอมปล่อยให้เราหลุดออกไปได้ง่ายๆเครื่องมือมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมโดยเฉพาะ ในทับกองพลที่เรียกว่าความสุขในกามเยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาหลอกล่อให้เราเนี่ยแบ่งปันเวลาแทนที่จะหาเวลามาทำความสงบใจได้อย่างต่อเนื่อง มันก็จะเอาความสุขทางกามนี่แหละมาหลอกล่อเราให้เราเพลินไปกับความสุขทางกามทั้งหลายพอเพลินไปมากๆเนี่ยมันก็ถึงขั้นเขาเรียก ว, ว่ามัวเมาความสุขในกามทั้งหลายคนที่มันถึงขั้นที่เรียก ว, ว่ามัวเมาความสุขในกามทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบระงับ ตาหูจมูกลิ้นกายความสงบระงับความวุ่นวายจากภายนอกอ่ะมันจะลดน้อยถอยลงไปถ้ามันมัวเมา ม, มีความเพลินความสุขในกามทั้งหลายแล้วเนี่ยความเห็นดีเห็นงามในความสุขที่มันเกิดแต่ความสงบแต่ในภายในมันก็จะดนเขาเรียกว่าไม่เห็นคุณค่านะ แต่ถ้าเราพยายามพาตัวให้ไม่ถึงขนาดมัวเมาได้เนี่ยหรือมัวเมามากๆก็ให้มัวเมาน้อยๆเราก็จะขึ้นชื่อว่าพอที่จะคลืบคลานไปบนสิ้นทางที่เรียกว่าอริยมรรคเมืองแปดเพราะทางสายนี้ทางสายที่เรียกว่าการมสุ ข, ขัลลิกานุโยกทางเส้นนี้พระพุทธเะจ้าก็ตรัสเอาไว้เนี่ยว่าเป็นทางที่ ใครดำเนินอยู่บนทางเส้นนี้ก็หลุดพน้นออกจากวัตฏะทุกันนี้ไม่ได้การที่เราจะอยู่บนทางสายนี้ด้วยความมุ่งหวังว่าเราจะพ้นทุกมันไม่ใช่เหตุที่มันจะเป็นไปได้เหมือนเราอยากจะขึ้นไปบนตึก่ชั้นห้า มันก็ต้องขึ้นกระไดไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอเราอยู่ชั้นสองแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ก้าวลงกระไดไม่ใช่ก้าวขึ้นบันไดนะก้าวลงบันไดเพราะก้าวลงบันไดเนี่ยเหตุของมันคือทําให้เราลงมาข้างล่างมันไม่ใช่เหตุที่จะนําพาเราขึ้นไปข้างบนเพราะนั้นมันไม่ใช่เหตุของความเจริญ เราก็จึงต้องให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจว่าความชอบอย่างหนึ่งแต่ความถูกต้องก็อย่างหนึ่งกิเลสมันก็จะหลอกล่อให้เรานำพาตัวไปในทางที่เราชอบนี่แหละชอบเลยชอบตามกิเลส น, นะเราเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากมากเนี่ยเราก็จะใช้เวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปกับมัน เราก็จะไม่ได้นำเวลาเนะี่ยมาใช้เพื่อสร้างเหตุที่เราจะได้นำตนให้มันออกจากทุกข์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าคนเรามีเวลาที่ไม่ได้มากมายนะมีเวลาจำกัดเอาแบบว่าหลักการโดยทั่วไปพื้นๆก็คือ100รปีสำหรับคนยุคนี้สมัยนี้นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมีเต็มโคตา1 0 0้อปีทุกคนก็ไม่ใช่ บางคนก็ตายในวัยเด็กก็มีบางคนอยู่เต็มโคตาเลยตามอายุไขก็มีมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่มันไม่มีใครกำหนดได้ว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่กำหนดวันที่ว่าออวันนี้นะเราจะตายนะมันกำหนดไม่ได้ เพราะมันกำหนดไม่ได้เหมือนก็พูดง่ายวัดดวงกันแต่ถ้าคนที่เขาไม่ประมาทเขาก็จะไม่พาตนไปให้แบบไปวัดดวงขนาดนั้นแนหะเขาก็ต้องพยายามทำให้ศักยภาพของใจเนี่ยมันพร้อมพร้อมที่จะไปได้อย่างดีพร้อมที่จะไปอย่างดีที่สุดก็คือเราสามารถที่จะจบงานนี้เราอยู่จบรมาจารย์ ในศาสนานี้ได้เพราะฉะนั้นไปเมื่อไหร่มันก็ไปได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่พร้อมคือเรายังไม่จบงานนี้ยังอยู่จบปรมาจันในศาสนานี้ไม่ได้มันก็คืนชอวาเรายังวัดดวงกันต่อไปเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งอะว่าเราเต็มที่ให้กับ หน้าที่ที่สําคัญอันนี้ขนาดไหนเพราะว่าเวลาที่เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุ่นทั่วแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นถึงความมีสาระและไม่มีสาระอันไหนที่มันมีสาระอย่างจริงจังที่แท้แน่นอนอะไรที่มันมีสาระแบบหลอกๆสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีสาระจริงๆ แล้วการเกิดเป็นคนเนี่ยสาระของการเกิดเป็นคนคืออะไรคือการที่เรามาสแสวงหาลา่ายศสรรเสริญหรือเปล่าหรือว่าเราจะมาสแสวงหาความรักหรือเราจะมาสแสวงหาเกีดยรติยศชื่อเสียงหรือว่าสแสวงหาความสุขที่ได้จากการ ดูหนังฟังเพลงความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่แน่นอนว่าการที่เราอยู่เป็นคนเนี่ยมันต้องอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่แล้วแต่ถ้าบุคคลที่ไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้นำคำสอนมาพิจารณาเนี่ยมันต้องเห็น ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเป็นสาระทั้งหมดของชีวิตเราละแน่นอนแหละแต่ถ้าบุคคลที่ได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วเนี่ยเราก็จะได้พิจารณาแล้วเห็นถึงว่ามันไม่ได้มีสาระมากมายขนาดที่เราคิดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราสแสวงหาเงินทองมากๆแสวงหาความรักจากคนนั้นคนนี้หรืออะไรก็ตามแต่ สุดท้ายเนี่ยถ้าจบเกมคือความตายมันมาเยือนเราแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปได้บ้างเงินทองที่เราสะสมมาไว้เอาไปได้ไหมคนรักที่เรามีความผูกพันลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอะไรก็ตามที่เรามีความผูกพันเราเอาไปได้ไหม บ้านรถชื่อเสียงเอาไปได้ไหมสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้งเอาไว้ทั้งหมดถ้าเราตายไปแล้วมันจึงทำให้เราเห็นว่าพวกนี้มันมีสาระเก่นสารก็จริงแต่มันเป็นสาระเก่นสารที่มันอยู่ในโลกช่วระยะเวลาหนึ่งที่เราถือครองอัตภาพอันนี้เท่านั้นเอง แต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าสิ่งที่มันสำคัญยืนยาวมากกว่าก็คือบุญบาป ท, ที่มันเกี่ยวเนื่องกับจิตใจของเราพร<ม>ะพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าก่อนตายจิตเศร้าหมองก็ไปทุกขติก่อนตายถ้าจิตมันไม่เศร้าหมองมันก็ไปสุขติ แต่ถ้าเราอยู่จบพรหมจรร์ น, นี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าเชื้อของความเกิดมันก็ไม่มีซึ่งถ้าเราเห็นแล้วแบบนี้พิจารณาให้มันซึ้งลงไปในใจอย่างนี้กําลังใจที่เราจะแบ่งเวลามาใช้ทําความดีความงามให้กับตนให้กับจิตใจของตนเนี่ยมันจะต้องมีมากขึ้นแน่นอน เวลาที่เราจะแบ่งให้กับความเพลินทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจะต้องลดเวลาเหล่านั้นลงแน่นอนแต่แน่นอนละมันต้องควบคู่กันไปนะหมายถึงว่าเราจะมาเอาแต่ ง, งานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่ลาบากเพราะว่าเราก็ต้องหาอยู่หากินใช่ไหมปัจจัยสีก็สำคัญแต่ความ ที่เราจะทุ่มเทในการงานเห็นคุณค่าสาระเราจะรู้หล่า ว, ว่าคุณค่าสาระของงานทางจิตใจนี่มันสำคัญถ้าเรามีเวลาเราก็จะพยายามแบ่งปันเวลาเอามาทำงานนี้ให้มันได้ดีพัฒนางานนี้ให้มันก้าวหน้าอย่างการที่เราแบ่งเวลามา ชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะมาทำความสงบก่อนที่เราจะเข้านอนแบบนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะอย่างาน้อยๆเราได้ใช้เวลาที่มันมีประโยชน์กับเราในเบื้องต้นในถ้ำกลางและในที่สุดจริงๆเป็นงานที่ควรค่าควรคู่กับบุคคลผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆ ซึ่งการที่เราทำความสงบได้ดีมีกำลังแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราอย่าละเลยก็คืออย่าหยุดแค่ความสบายใจเรามีหน้าที่ทำความสงบให้เกิดขึ้นมีความสุขแต่ในภายในให้มันเกิดขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าความสุขในภายในก็คือความรู้ความเข้าใจของใจ แต่ความรู้ความเข้าใจทางตร ก, กะเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังคำสอนเนี่ยเราไม่เถียงเราไม่ค้านเราคิดตามเหตุผลแล้วมันถูกมันต้องมันใช่ก็จริงอยู่แต่เรามีหน้าที่ที่เราจะทำความเข้าใจตามตร ก, กะอันนั้นเนี่ยเ้าเรียกว่าให้มันแจ่มแจ้งที่ใจแจ่มแจ้งที่ความคิดทางตร ก, กะแต่ไม่แจ่มแจ้งในความรู้สึกในใจ ก็ยังทำให้ใจของเราเนี่ยมันปลดเปลื้องความทุกข์ไม่ได้เป็นเราต้องสอนใจเราสอนสอนสอนแล้วก็สอนสอนบ่อยๆสอนเนืองเนืองสอนให้เห็นถึงความไม่มีสาระเกียรสารของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสอนให้เห็นถึงความไม่มีสาระเกียรสารแม้ ตัวของเราเองว่ามันจริงๆแล้วก็เป็นของที่ประกอบไปด้วยท่าสี่เลยที่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาสุดท้ายแยกกันออกดีๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเราไม่มีเขาทิ้งแท้แน่นอนแต่การที่เราเห็นว่าเราเป็นนี่คือเรานี่คือเขานี่คือสัตว์บุคคลตัวตนมันก็เห็นไปตามแบบ สมมติกิเลสแล่เราก็ต้องพยายามแก้ความเข้าใจผิดเหล่านี้ที่ใจของเราพยายามปลดเปลื้องความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงของใจของเราออกไปทีละหน่อยทีละหน่อยแน่นอนและบางครั้งมันก็มีความเข้าใจเข้าใจตามในแบบที่เราสอนแต่แน่นอน เรามีสติที่เรามีกําลังเท่าไหร่เราก็จะเบรกมันแล้วก็สอนมันได้บ่อยขึ้นสอนไปสอนไปสอนวันยังค่ามันต้องเข้าใจสักวันพูดมันบ่อยๆให้มันเห็นบ่อยๆคุยกับมันบ่อยๆมันจะต้องเข้าใจสักวันหนึ่งพอมันเข้าใจนี่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเราได้ ภาระอันหนักหน่วงออกจากใจใจเราก็จะได้เป็นใจที่มันไม่แบกของหนักเอาไว้อะไรคือของหนักก็คือไม่แบกสมมุติหนักๆเอาไว้ที่ใจของเราใจเราก็จะเบาสบายเป็นไทยไม่โดนสมมุติกดถ่วงใจิตใจอีกต่อไป